เรื่องชีวิตเจรั ย, รยตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเมื่อฉันได้มองเห็นเข้าหามร่างของสุริมาออกจากเรือนไปความคิดของฉันได้แวบไปถึงครั้งกันโนนมันเป็นการสูญสิ้นที่ช่างมืนกันจริงๆผิดกันแต่ว่าร่างหนึ่งโผล่าไปเพราะความตาย ส่วนอีกร่างหนึ่งนั้นจากผ้าแม่ไปทั้งที่ยังเป็นๆผู้ที่นํำลูกออกจากเรือนไปถึงสองครั้งสำหรับฉันมีข่าเหมือนกับเพชฌฆาตเท่ากันเป็นเหตุที่ฉันหมดความรู้สึกลองอีกวาระหนึ่งแต่ถึงกระนั้นความตายของลูกศิลิมาก็ยังเป็นบาดแผลที่ให้ความเจ็บปวดได้ไม่เท่าแผลแรก ชีวกพเรขที่ฉันคิดถึงมากเป็นบาดแผลในหัวใจเพราะแม้ฉันจะได้รับความสะเทือนใจเพราะว่าซลีมาตายจากไปอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจที่จะลืมดวงตาคู่นั้นกับรอยปานแบงรูปประหลาดที่อยู่ใต้คางชีวกร่างสัมสตานหัวใจราวกับโูบบีบอย่างรุนแรงบรรยากาศภายในห้องนั้นวังเวงอย่างลึกล้ำ ลมที่พัดมาประทะยอดพึกผภายนอกฟังก็เศ้าคล้ายเสียงที่ราบรำที่ลอยมาจากแดนไกลขอให้ฉันได้เอนสักหน่อยสิชีวชีวชีว์ไม่เตือนจากพววงรีประคองร่างของหล่อนให้เอนราบไปกับที่นอนจัดหมอนให้หนุนอย่างสบายสายตาของคนคไข้เดนเนลอยู่ที่เพดานห้อง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 ครั้งใดที่ฉันได้เห็นแม่สุนัข ก, กําลังให้นมลูกของมันอยู่ฉันไม่กล้าจะสบสายตากับมันเพราะฉันคิดว่านางสุนักตนนั้นมันมีชีวิต อ, อยู่อย่างเน่าพากพร้อมใจมากกว่าฉันผู้เป็นมนุษย์เสอีกน่าละอายพระท่านว่าคนทําความชั่วตายไปแล้วตกนรกจะจริงหรือไม่หรืฉันไม่ทราบชีวกแต่ฉันก็ได้ตกนรกแล้ว ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ต้องตายแม้คุณาความดีที่ได้เกิดหำขึ้นภายหลังก็ไม่อาจจะลบรอยร้าวรอยบาปที่ตรึงตาอยู่ในจิตสํานึกได้ฉันสิ้นหวังที่จะได้ยกชีวิตขึ้นให้พ้นจากขมนรกจึงได้แต่มอบความหวังนี้ไว้กับสวรรัสดภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนขอประทานโอกาสให้ได้พบลูกที่แม่ได้ทอดทิ้งทั้งแต่ยังเป็นเป็นโอ้โอ ขอให้เทวดาฟ้าดินได้มันดาลให้ลูกข้าพเจ้าอย่าได้ตายจากไปขอได้พบหน้าลูกเถิดประครั้งเพื่อจะได้สารภาพความชั่วช้าหาลูกโหดของแม่ที่มีต่อโลกอนิจจากระทั่งสิริมาก็ได้จากไปอีกคนแล้วสวรรค์ก็ยังไม่โปรดฉันเลยชีวกหล่อนเรียกชื่อเขาด้วยน้ำตาเสียงแผ่วโผล่ราวกับจะสิ้นแรง นี่แหละคือสาเหตุที่มาสกัดกันความปีติโสมนัตของฉันเมื่อกระทำความดีทุกครั้งฉันไม่เคยได้รับความชื่นใจชั่วชีวิตช่วยชีวิตของฉันนี้ฉันทีว่ว่าไม่มีความดีอายอีกแล้วที่จะมาช่วยให้ฉันได้มีความชื่นใจได้ฉันเป็นคนบาปหนาเป็นคนที่สวรรัส์โอโเวนดวงตาคู่นั้น ยังจ้องมองฉันอยู่ทุกขณะจิตสำนึนกรูอัสรพิษที่แพร่ผางผานรอยปานแดงรูปนั้นก็ยังเฝ้าฉกหัวใจของฉันต้องสะดุ้งจนทุกวันคืนพอซึ้งกระแสเสียงรนทดอันร้าวรานใจนั้นคนไข้ก็ตะลึงลานเพราะอาการประหลาดของหมอฉีวกเขาาวาลงกอดข้างล่างของหล่อนศพศีรษะ หลงกับสวงอกอันเหี่ยวห้ยรุยแรงน้ำเสียงร่ร่ำละละฟังเต่ไม่เป็นภาษาแม่แม่แม่จ๋านี่คือแม่ของฉันดวงตาของแม่คู่นั้นอยู่ที่นี่แล้วโอ้สวรรค์น้ำตาอุ่นๆไหลาพลากลงสัมผัสกับ อ, อกขนไข้เขาสอึกเสื้นมเหมือนเด็กทารกเขาได้พบแม่ของเขาตลอดเวลาที่เขาปาเถารอคอย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 ลูกรักของแม่โอ้สวัรค์โตดลูกรักของแม่เพียงเท่านี้สติสัมปชัญญะก็ได้ดับฟูร่างอันซุบซิบอิดลอยล้มพลอยหลงแน่นิง่งไม่มีวันที่จะลุกขึ้นมาทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเป็นบทบายของชีวิตที่โลดเต็นอยู่บนเวทีคือลอกนี้แองอดวงตะวันใกล้อัสดง พอแสงแผ่ร่านยูนเหนือแผ่นโลกพื้นพิภพดุดอาบด้วยสีทองอรากรมราชคืองามราวกับว่าเนรมิต ย, ยอดมณฑีนปราศาสอันวิจิตด้วยทองคำสะท้อนแสงอยู่ ว, วับ ว, วับท่ากลางกําแพงปราการแห่งธรรมชาติโดยมีขุนเขาล้อมรอบนคร อ, อยู่ห้ายอดส่งเงาธรรมน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 ซึ่งห่างไกลออกไปกลางหมู่บ้านเป็นที่ห่างไกลจากสรรพสัมเนียงเสียงอันยุ่ยจวดสระล้างมีน้ำใสาปานแก้วกระเพื่อมแพลวอยู่ด้วยแววแสงแดดในยามเย็นลึกเข้าไปลึกเข้าไปพระภิกษุสงฆ์กำลังทำความเพียรมีวนาอยู่ในกุฏิสงอยู่ใต้เงรุ่เงาแห่งแมฆไม้บัางก้นหนัง บางก็เดินจกกมกุฏิเป็นกระท่อมเล็กๆ เ, เรียงรายอยู่เป็นไรจักรรยักเป็นบริเวณที่เงียบสงดจากการสัญจรเว้นแต่เวลาเย็นอย่างนี้เท่านั้นจึงจะปรากฏมีฝุงชนล่างไหลมาจากทิศ ต, ต่างๆเหมือนฝุงพิหกด์บุญมาสู่ร่มเงาสาขาของต้นโพไซจะตัชีวล้น้ำตาอาบหน้าไปหาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เล่าว่าได้พบแม่แล้วก็ได้สิ้นใจอยู่ในอ้อม อ, อกไม่สามารถที่จะรักษาแม่ให้หายรักษาคนอื่นตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้ชีวกร้องไห้คำควรไปหาผูผ้มีภาคยาวพระองค์ได้เทศนาให้ฟังชีวกเคยมีทุกข์เพราะรักมาลินีที่สาเกตบัดนี้ความทุกข์อันราวลานเพราะการพัดพาคจากแม่ร้องไห้ทำไมชีว ถึงแม้ว่าแม่จะตายจากไปแต่ชีวิตนั้นเลือดเนื้อของชีวกได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อพ่อและแม่ยังอยู่ยในตัวของชีวกชีวกสร้างแต่คุณงามความดีพ่อแม่ก็ย่อมไปสู่ที่ดีที่งามชีวกอุตโตเศธโธบุตรอันประเสริฐคือบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ชีวกเป็นบุตรที่ประเสริฐ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 ลูกที่เชื่อฟังคือลูกที่ประเสริฐแม้แต่ไม่เคยเห็นหน้าก็ได้พบเพราะ อ, อานาจแห่งบุญยาวาศสนาบารมีที่ได้กระทำสาธุรชนลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายในวันแม่เช่นนี้ขอให้เธอทั้งหลายได้คิดว่าเราจักเป็นลูกที่ประเสริฐคือลูกที่เชื่อฟัง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 มาฟังเรื่องราวอีกต่อไปถึงลูกที่ไม่เชื่อฟังจะเป็นลูกที่ประเสริฐได้อย่างไรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังบัดอุบลราชธานีเรื่องจริงที่เกิดไม่มาแล้วในอดีตไม่ใช่นิทานและเรื่องชีวกนี้ก็ไม่ใช่นิทานล้วงอาเคยไปที่อิเลียมาแล้วและก็ได้ไปที่ชีวกรรมพวันได้เห็นซากสลคักพัง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 การศึกษาวิชาการต่างๆของชาวอีาสานต้องไปที่เมืองอุบลเมืองอุบลได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและคำสังสอนทางพุทธศาสนาอย่างมั่นคงมาจากรัตนโกสินทร์และถือได้ว่าเมืองอุบลนั้นเป็นรากแก้วแห่งวัฒนธรรมประเพณีแห่งชาวอีาสาน ได้อย่างลากลงอุบลแล้วก็ได้แผลขยายออกมาเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนของคนโบราณจะไปเรียนหนังสือใหญ่บาลีวยากรณ์มูลกระจายมูลมาลาอะไรต่างๆอาขยะตับที่ไรต่างๆต้องไปที่เมืองอุบลที่บ้านไผ่ใหญ่บ้านน้องหลักน้องตอบ้านเทีเท้ยมเพิ่มม่วงสามสิบและเมืองอุบลยังเป็นแหล่งนักป่าราชบัณฑด็จมีนักป่า ด, ดังๆเกิดขึ้นที่เมืองอุบลทั้งนั้น ในสมัยนั้นมีหมู่บ้านท่อแห่งหนึ่งของเมืองอุบลชาวนาสองผัวเมียมีลูกสองคนเป็นลูกสาวคนหนึ่งและก็ลูกชายขวบปีลูกชายนั้นเมื่อจะเิญเติบโตมาแล้วก็เข้าโรงเรียนจบโรงเรียนชั้นป .4 แล้วพ่อแม่ก็เอาไปบวชบวชแล้วก็ได้เรียนหนังสือจนจบนักคำเอกที่เมืงองโอบอนจากนั้น เมืองอุบลก็จบแค่นั้นต้องไปเรียนต่อกรุงเทพเนน้อยก็รักการเรียนพ่อกับแม่ถึงแม้จะยากจนแต่ก็ไม่เป็นไรพ่อยอมยากแม่ยอมจนยอมอดทนกัดกินค้อนเกลือเพื่อลูกยอมที่จะอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกก็เลยส่งลูกเข้าไปเรียนในกรุงเทพอยู่ในวัดหนึ่งฟัง คนบุรีฟ้าแม่น้ำเจ้าพยาในสมัยนั้นกรุงเทพก็เพิ่งจะเริ่มเจริญการไปมาหาโศกรุงเทพส่วนมากในระหว่างกรุงเทพก็อาศัยเรือตามคลองรถแท็กซี่ก็มีแต่ก็ไม่มากสะพานก็เริ่มจะมีแต่สะพานอ่าพุทธยอดฟ้าส่วนสะพานอื่นข้าแม่น้ำเจ้าพญาก็ไม่มีสามเณรคนนี้ขาออภัยไม่ออกชื่อ ก็ได้ไปเรียนหนังสือในที่สุดก็แข่งมากจนจบมหาเลยก้าวประโยคเลยได้เป็นพระแล้วจบก้าวประโยคได้เป็นเจ้าคุณส่วนพ่อและแม่นั้นก็ทํานาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้เด็งกับน้องสาวอยากจะได้เงินเขียนจดหมายมากราบเท้าโยมพ่อหยอบแม่ที่รักและบูชาของลูกผู้จาดีมากลูกขาดแขนเงินทองจะซื้อหนังสือหนังหาซื้อผ้าสบงจีบอ่ ทุกครั้งได้เขียนมาถ้าพ่อไม่มีพ่อก็ไปยืมไม่มีจะจัดก็ขายวัวขายวายแล้วก็เช่าัวเช่า ว, ว, า, วายคนอื่นทานาสามพ่อลูกพากันอดทนทำไร่ทานาแล้วต่อมาได้ทราบข่าวว่าลูกจบประโยคเก้าได้รับพระราชทานาเป็นเจ้าขนุน ร, ราชทินานามอย่างดีเจ้าคุนผู้ใหญ่ผู้จบประโยคเก้าแล้ว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 ได้เป็นเจ้าคุนแล้วคือบ่ม่ายามเข้าแนืลูกเข้าเนืคือหอดลูกไปขอเท่าเข้าไปหาเยี่ยมลูกเขา้าทอกสองผู้เท่ากลางคืนก็นอนคุยกันจะไปเยี่ยมลกูกส่วนเท้าผู้เป็นแม่ก็บอกว่าเออดีเนะาะจังนี้จังใดเข้าเกษตรไปเห็นกรุงเทพลูกเข้าเป็นมหาลูกเข้าเป็นเจ้าคุนแล้วเข้าไปเยี่ยมลูกเขา้าส่วนลูกสาวนั้นก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกยา แบบเมืองอุบล น, น่ขยันกันก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่พอในสิภาพไปยามอ้ายซึ่งเป็นจะคุณแล้วเพื่อนคือสิญญาคือสิบรรดยมากายามเฮ้าเข้าพยยามอ้ายเนาะน้องสาวก็ดีใจกำลังเป็นสาวเลยคิดถึงเพราะว่าเคยเคียงบ่าเคียงไหล่ทำไรทำนานทุกยากส่งเงินไปให้พี่ชายบันนี้ก็จะได้ไปเยี่ยมพี่จะได้ไปเห็นกรุงเทพนี่คืนนั้นอากาศหนาวมาก ในต้นเดือนไอเมืองอุบลนีลมพัดมากใกล้กลางฝั่งแม่น้ำโขงลมพายุลมหนาวได้พัดผ่านมาจากฝากฝั่งแม่น้ำโขงด้านประเทศลาวได้หอบพิ้วเอาความหนาวเนี่ยแผ่ปกคลุมมาทั่วทั้งพื้นแผ่นดินเมืองอุบลน้องสาวนอนไม่หลับในผ้าห่มไม่น้อยอันหอมหวานพล็กไปพลกมา จนดึกเดินค่อนคืนินจนเสียงไก่ขันความคิดของหล่อนล่องลอยไปไกลถึงกรุงเทพซึ่งไม่เคยเห็นว่าจะได้ขึ้นรถไฟจะได้เห็นสีสเกตเห็นสุรินเห็นบุรีรัมย์โคราชแล้วก็จะผ่านดงพญาเย็นพี่ชายเคยเล่าให้ฟังเราจะเห็นแม่น้ำเจ้าพยายเห็นกรุงเทพไปหาพี่ชายพี่ชายอาจจะมีเงินมีทองเป็นเจ้าคนซื้อเสื้ อ, ส, อสวยๆงามๆให้เราใสา่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 ขันเ ไ, ไปหาลูกนะพ่อกับแม่สองสามเมือข่อยฟันเห็นแต่ลูกตัวเถ่าอาจารย์ให้ยคือหอนลกนอนบลับจากนี้นจึงได้กัเข้าไปเนาะไปมือแรกไปแจ้งคนบอกอาจารเข้าไปกลางคื น, นแล้วก็ไปแจ้งกรุงเทพเยเมืเองเศร้าลูกวาวให้ฟังอาจารแล้วเขาเสด็ไปหาลกูกเขาแล้วในกลางวันผู้เป็นน้องสาวก็ซักผ้าซักผ่อนเตรียมไม่หมดกลางคืนสามพ่อลกูก ก็พากันไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟวาเินชำราบออกมาจากบ้านนอกมาถึงรถไฟเปิดวูดแล้วก็วิ่งออกจะสักจากสถานีวาเินชำราบมุ่งสุโขทัศนในคืนนั้นพ่อกับแม่ก็นั่งสัตประงศส่วนน้องสาวก็หลับบ้างตื่นบ้างเต้นเต้นต่อสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นและรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ถึงกรุงเทพมหานครพูดภาษาไทยกลางก็ไม่เป็น แท็กซี่สมัยนั้นก็ยังพอมีศิลธรรมก็มีคนอีสานเฝ้าอยู่ถามว่าไปไหนครับลุงครับป้าคนลาวอีสานบอกไปไซคับพอนายลุงปลาติดไปไสองเท่าผู้ภาษาไทยกลางไม่เป็นบอกว่ า, วาสิพยายามลูกไ้โยู่ฟังทน้นโยวัดนันวัดนี่พาพอไปแน่คนอีสานด้วยกันพูด ก, กันเรื่องก้าหากันไปขึ้นแท็กซี่ข้ามไปก็ไปส่งถึงวัดพอดีวัดนี้วัดนี่เลยครับลุง ลูกทรายคันวาโยวัดนี่ก็เป็นวัดนี่ก็พาไปส่งปรากฏว่าในขณะที่ไปส่งนั้นท่านเจ้าคุณกําลังมีแขกล้อมหน้าล้อมหลังกํา ล, ลังชะล้ อ, ลงลองงานอะไรกันนะ่ะไปถึงก็ไปถามว่าเจ้าคุณมาหาแดงคนอยู่นี่บอถามว่ามาหาแดงมหาแดงคนอยู่นี่บอพวกคนส่วนมากเป็นคนทางภาคกลางก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ ห็รูอ ว, ว่ามาหาแดงนะอยู่ที่นี่ท่านมีงานท่านมีแขกเอยอะอยากไปหาท่านไม่ได้ก็พอดีมีเนนรับใช้เนนโอปฐากมารับก่อนบอกว่าน่น้อยจะคุณมาหาแดงผลยู่บอเนนนั้นเป็นเนนผ้าอีสานบอกอยู่พอออกมาแต่ใสขึ้นสิเม็นมา่านแต่ทางบานเฮานอกอะท่านบอกมา่านแต่บานเฮามาเยี่ยมลูกท้ายภาพอออกเขาไปยามเลยบอเดอี๋ยวจะเพาเดอร์คอยสิไปถามเพิ่นไว้ท่าน สามเณรนี่ไปถามไปกล่าบว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับมีโยมมาหาจากบ้านนอกหนุ่งกัเงเกงทำขาดเพื้อ้าปุบ ป, ปุปะปะสูบยาใบาตองแล้วก็มีโยมผู้หญิงเคี้ยวมากปากดำน้ามามีโยมผู้หญิงเป็นสาวหน้าตาเหมือนๆกับท่านเจ้าคุณมาหาในะคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องอยากจะมาพบท่านมหามีแขกเยก็บอกไปบอกเขาก่อนบอกว่ายัางไม่ว่าง นเนนจัดที่รอก่อนที่กุติของเนนก็ได้ก็เลยรออยู่กับเนนไม่มีเวลาว่างท่านเจ้าคุณคอยรับแต่แขกมีแต่ผู้ดีเศรษฐีเดี๋ยวรถเก่งเดี๋ยวอโน่นไอ้นี่มาท่านมหารู้แก่ใจว่าคือพ่อเขือแม่แต่เป็นลูกที่ไม่ประเสริฐคือลูกไม่เชื่อฟังตนเองเก่งไม่เป็นมหาเป็นเจ้าคุณ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 โอ้ยพ่พอพยายามจังหน่อยบ่ได้บ่สันโอ้ยบ่ได้ดอกเพิ่นเสียให้เพิ่นมีแขกหลายมีแต่เจ้าแต่นายมีแต่คุนนายมีแต่พวกเก่าพวกขุนเข้าไปยามเพิ่นว่างสะกกอนสันจนถึงบ่ายจนถึงค่ำลูกพ่อนี่จะไปเองก็ไปมในที่สุดก็เห็นว่าลูกอยู่ในกุฏิเนี้มีคนเข้าก่อนออกไปเลยดีกว่าพ่อกับแม่ก็พาไปไปเลย หาวมของคนทั้งหลายไปพวกคุณหญิงคุณนายไปกกลบเอ้ยแม่มาหอดแต่เสาบได้นอนเบิร์ดขึ้นคอกับบริณนอน์เกิดหอดลูกจ้าเมนเจอรี่เจ้าอักนอรหลานนอ้อท่านทั้งเจ้าคุณนี่ก็ชี้หน้าเลยออกไปออกไปโย ม, มาจากไหนทะเลตาละ่าบอกเนนไปไหนบอกพาโยมี่ออกไปก่อนมาจากไหนค่อยว่ากันใหม่ฉันไม่มีเวลาตอนนี้แขกเยอะท่านเจ้าคุณบรนดาลโทรสะชี้หน้าด่าเท่าบ้านนอ้อออกไป สองเท่าก็ก้มหน้าออกไปมองกันแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลโอ้ยเสียแห้งเหลี้ยงปูปลาสิ้นตอนเหลี้ยงไงแล้วขุณเท่าสร้างบอมีไล่นี้คือหมูคือห้าแก่ไล่พ่อไล่แม่ออกมาเหมือนไล่หมูไล่หมาเหมือนสัตว์เดละฉานะสองเท่าก็นั่งร้องไห้ใส่กันน้องสามก็ร้องไห้โอ้ยอายห้าบ่เคยเกาบาดเนี่ย ว่าวควเท้ากับบเป็นว่าวควบเหล้าห้องกับบเป็นสองเท่าก็นึกได้ว่าแถาเอ้ยถกยากกมาเมื่อบานเท้าสะท้อนเมืองอุบลหา ก, กิ่นจุดจี่จนทงเยกัยาเท้าก็มีลูกเท้าอยู่ดอกลูกสาวเท้ากับมีเอาละไม่เห็นเท่านี้กับพ่อแล้วพักกันเมื่อสองเท่าก็ออกไปเนยน้อยก็ร้องไห้อดทนไม่ได้สงสารสองเท้าร้องไห้ แล้วก็ไปส่งเรียกรถแท็กซี่มาให้ไปส่งที่สถานีรถไฟยังไม่ออกรถไฟเขาจะออกสองทุ่มต่ไมนั้นสองเท่าก็นั่งรถแท็กซี่ไปซื้อตัวรถไฟกลับบ้านพากันล้องให้กลับบ้านไปที่เมืองอบุบลป้าก็ว่าท่านมหาเจ้าขุนนั้นก็ตีหน้าหัวโกนสบายรับแขกอย่างโน้อนอย่างนี้คุณยิงคนนายคนอะไรพอตกประมาณสัก สามสี่ทูมแขกบางและแขกหมดไปก็นึกได้ถึงคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาแท้จริงเรื่องเนนว่าเนนเนนมานี่ไปไหนพอเนนมาบอกโยมสองคนไปไหนไปเรียกมาทีทีเนี้ยว่างะไรเห็นไหมเนนก็ร้องไห้บอกท่านเจ้าคุณครับคุณโยมสองคนนั้นน่ะพากันร้องไห้ตั้งแต่ท่านเจ้าคุณบอกให้ออกจากห้องก็พากันร้องไห้กลับมาลูกสาวแล้วก็ ออกจากวัดขึ้นรถแท็กซี่ผมก็ไปส่งแล้วปานนี้ก็คองขึ้นรถไฟกลับเมืองอุบลแล้วท่านเจ้คุณดังนั้นได้ยินดังนั้นก็ตกใจ น้ำตาไหลเลยร้อให้โถ<ฮ><ฮ>พ่อแม่ของฉันฉันได้ทําบาปทํากรรมที่สุดเลยทําให้พ่อแม่ต้องร้องไห้น้ำตาไหลหลังน้ำตาไหลอุตสาหมาหาป่านที่ฉันจึงเป็นคนช่วยเหลือเกินทันเจอคนเลกได้อันนี้ก็คว้าได้จีวรก็แนบออกจากกุฏิจะขึ้นแท็กซี่แอ็กซี่ก็ไม่มีมันเดึกแล้วสามสีท่ทมแล้วรถไฟโจนจะออกยังไงฉันต้องตามถึงบ้านว่างเงี้ยในที่สุดทันเดีจอคนก็ มองซ้ายแลขวาเ็กซี่อไม่มีก็เห็นแต่เรือเท่านั้นที่จอดที่โผลไว้ข้างกุติเพราะวัดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทันเดียวคนก็ลงเรือเลยขวาไม่พายได้ก็พายจำอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวคนเดียวเพื่อจะข้ามฝั่งนี้ไปดักขึ้นรถทางโน้นฝั่งทางกรุงเทพยังพอมีรถในขณะที่ท่นานจะีุวนพายเรือลงมาถึงกลางลําแม่น้ำเจ้าพระยา ตากรดว่ามีเรือหางยาวลําหนึ่งโยงเรือมาลากเอาเรือข้าวมาวิ่งมาจากทางเหนือนะ้ํามาด้วยความแรงและความเร็วสูงอุ้ยมาแล้วก็ไม่ทันเห็นเรือของท่านเจ้าคนชนตูมลงไปกลางลำํำจมลงไปกลางแม่น้ําเจ้าฟายาท่านเจ้าคุก็ได้จมหายลงไปในน้ําพร้อมกับชีวิตนั้นจมลงไปใต้บาดาลท่านเจ้าคุณได้ตายจมน้ําเพราะบาปกรรมแท้ๆ ไห้เห็นหัหยบรรดาลูกหลานนักเรียนวิเิษนักศึกษาทั้งหลายลูกที่ไม่ประเสริฐคือลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เลี้ยงตั้งแต่ตีนเท่าฝ้าหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ตั้งแต่เล็ก จ, จน่อเมื่อเลี้ยงต่อมาแล้วโอชา ลำบากลำบนส่งข้าวเหรียนหนังสือทุกอยากแค่ไหนก็เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่าดูถูกดูแทนขอจงรักษาท่านเลี้ยงเรามาแล้วจะมาทำอย่างนี้บาปกรรมจนไม่สามารถแผ่นดินจะรับไว้ได้แม่คงคาแม่นม้ำรับไม่ได้แม่ธรณีแผ่นดินรับไม่ได้คนที่ทำบาปทำกรรมกับพ่อกับแม่ภูเขาอันแหนกรำมากมีบอ่อหอนหนักคธรณีนี้ได้ หนักนักแต่กาลีรวงโลอกอันจักทรงทานได้แต่พื้นนากาคนชั่วนั้นหนักแผ่นดินแผ่นดินรับไม่ได้จนแผ่นดินโศบเหมือนเทวาทัตท่านมหาเจ้าคุณแผ่นน้ำรับไม่ได้ ต้องเรือชนตายจมในแม่น้ำเจ้าพญาอีกสองวันต่อมาศพท่านเจ้าคุนก็ขึ้ื่นเอิดลอยฟ้องทางใต้น้ำเจ้าพญาข่าวก็ดังคลึกคอมพ่อแม่ได้ยินว่าลูกตายได้ข่าวก็ร้องไห้เป็นลมคิดถึงจะชั่วแค่ไหนจะทำให้เจ็บปวดรดน้าวเพียงใดก็ยังรักอย่างแงว่าโลกูกเพราะฉะนั้น บรรดาลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายได้ฟังตัวอย่างสองเรื่องเรื่องคนที่ลูกที่ประเสริฐเพราะเชื่อฟังและลูกที่ไม่ประเสริฐแม้จะเป็นเจ้าคุณเป็นมหาเก้าประโยคก็ยังถือว่าเป็นลูกที่ประเสริฐกว่าพ่อแม่ไม่ได้ยังเก่งก็เก่งกว่าพ่อแม่เพราะเรียนเก่ง แต่ไม่ประเสริฐเพราะไม่เชื่อไม่ทําให้พ่อแม่ออบอุ่นใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทําให้พ่อแม่ร้อนใจเหมือนตกนาลกนาลกก็ต้องเอาท่านตกลงไปในนาลกเหมือนท่านมหาตัวอย่างดังกล่าวแล้วเมื่อลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกศษาได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตอนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่พ่อแม่นั้นท่านหวัง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 นรกที่คนตกมากที่สุดนั้นคือนรกโลงหลุมหนึ่งมีเชื่อว่าปุตตะปุตตะลูกไ้สร้างปัญหานานาประการให้พ่อแม่เดือดร้อนใจบางครั้งก็เอาทรัพสมบัติมรดกที่พ่อแม่มีให้ไปทาปูยี่ปูยาไปเผาไปผานจนหมดจนเตี้ยนพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อกทุกข์ใจบางคนจนหมด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 นักเกิง่อละนี่สันบาปของพ่อแม่นั่นสินักเก่งเท่อละนี่ไผ่บอย่ำแยงนบหากสินักไปหนามีแต่บาปแต่กรรมโลกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผีแกลุงหมอละหกคนบาปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้กเกิดมามีพ่อมีแม่อย่างนี้แล้วท่านโอสา์เรียนเรามาจนโต อ, อย่างเนี้ย ่านอุสาทรงซีเราเรียนหนังสือนังหาลําบากลาบนอย่างนี้จงพยายามเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่การตอบแทนบุญกุลของพ่อของแม่นั้นตอบแทนกันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่จําเป็นจะต้องไปบวชเดี๋ยวนี้เราเข้าใจกันเพลิดว่าบวชแล้วจะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จะได้ตอบแทนค่าน้ํำนมพ่อแม่บางทีบวชไปแล้วก็าอาจจะตอบไม่ได้ อาจจะทำให้พ่อแม่ตกนรกหรือตอนเองยิ่งตงนกนรกเสะเอง ก, ก็ได้บวชมาแล้วไม่ปฏิบัติตามพระธรรมตามพระวินัยมีแต่ ม, มาเดืวอความโลภความอยากได้ประพฤติตัวไม่ดีไม่งามในธรรมวินัยของพระอาริยเจ้าเป็นบุคคหลวงโลก ก็เป็นตัวอย่างที่เลวซามและเป็นหัวหน้าที่จะต้องตกนรกของคนอื่นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั้นจะให้บวชตอบแทนได้จะต้องบวชประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาทำมาให้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ทราบซึ้งแค่ไหน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 ด้จำนำคุณพ่อคุณแม่พอ่อใดแก่ดึงขึ้นสวรรค์นอนสลา่ลารับตาเมสิกรคำแท่งเมเนเออื์เออเออเออมานี่กล่อมลูกน้อยให้นอนเต น, นั้นหวังอย่างเดียวให้ลูกมีสินมีธรรมโตมาและให้ไปบวชได้สมซ้ำด้วยหลักธรรมอันบริสุทธ แล้วจะได้มาดึงพ่อดึงแม่ขึ้นสวรรค์ถ้าหากลูกทําคุณนามความดีไปไหนมีคนเคารพนับถือมีเชื่อมีเสียงพ่อแม่ก็พลอยสาบายอกสาบายใจเหมือนถูกเชิญขึ้นไปไว้บนสวรรค์โอ้ยจะแม่นเพิ่นเทมบุญอีกอย่างนะ้อเหตุบุญจังไดเนาะเลี้ยงโลกจังไดเนาะจังไดโลกผู้จบผู้ดีแทมพ่อแม่ก็สาบายใจบุตรเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าปุตตะ ภาษาสัรสกิตรปุระแปลว่าเต็มเต็มเต็มผู้ทำให้พ่อแม่เต็มเต็มอกเต็มใจสะตายใจถ้ายังไม่มีลูกก็ยังไม่เต็มความเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อไม่มีลูกก็ได้ไปขอตามต้นโพต้นไทรขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงขอให้มีลูกเมื่อมีลูกมาแล้วพ่อแม่ก็เต็มใจเลี้ยงทุกอย่างนี่ทแล้วพ่อแม่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 ที่นี้พ่อแม่จึงต้องตกนาลกหลมนี้ถ้าหากเราทําดีๆพ่อแม่ก็ได้ขึ้นสวรรค์พ้นจากนาลกหลงนี้ยิ่งเบื้องนั้ น, นลูกยังทําให้พ่อแม่เป็นเปรตท่านต่างหลายนักเรียนตั้งหลายไม่เคยได้ยินในพระไตรปิฎกเล่าเรื่องนางปัญจปุตตะเปรตเปรตตนหนึ่งออกลูกมาห้าคนตอนเช้าแล้วก็เอาลูกข้างห้านั้นมากิน กินลูกหมดแล้วก็เอามือล้วงเอาเนื้อตอนเองตามคอตามหลังตามเอวมากินตอเกเย็นมาก็ออกลูกห้าคนผีเพจออกลูกออกมาแล้วก็กินกินลูกหมดแล้วก็กินเนื้อตอนเองอยู่อย่างนั้นจึงมีชื่อว่าปันจกัก ต, ตะเปิดปันจะแปลว่าห้าปุตตะแปลว่าลูกนั่นแหละเปิดก็แปลว่าหิวกระหาย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 เปรตอยู่บนวิมานมีเงินมีทองมากมายแล้วก็ ย, ยังหิวยังห้ อ, อ, อ, อ, อ, อยอยู่ย่งนก็เรียกว่าเป็นเปรตมีรถสิบล้อมีตึก ม, มีห้องแอร์นอนเป็นทุกอยังโลภอยากได้สิปลาร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ก็เรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตเปรตผู้นอนหิวก็หายบนวิมานในพระไตรปิฎกเล่ม27หนังสือในหมวดเปรตวัตถุเล่าไว้ว่าวิมานนี่ก็เปรต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 โอ้ยลูกเราทำไมไม่เป็นอย่างนี้เนาหิวความดีของลูกเห็นลูกคนอื่นขยันทางานทาการลูกตนเองนอนตื่นใต้ซ้ายขี่เกียร์ลังยาวโอ้ยสางบอคือลูกคนนอลูกเอ้ยพ่อแม่หิวอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเห็นลูกทะเลาะเบาแวงกันไม่พอใจกันไม่ถูกกัน พอแม่หิวไปเห็นลูกชาวบ้านเขาถูกกันตามันขี่กันก็หิวเป็นเป็ดโอ้ยลูกเพิ่นเสอมา ด, ดีแท้สิบคนเจ้าคนยกไก่ยกไก่กระเถึกกันออมอมเอ็อออมเอมลูกโตนอ้อมีบะลายหน่อยบะลายตายบะเบิด ทีหัวยันตีนออกมากกระบอถือกันป่านหมากับแมวไว้ลูกเอ้ยสร้างบอดีคือลูกคนนอนหิวพ่อแม่หิวคนงามความดีของลูกโดยตลอดถ้าหากลูกเป็นคนดีพ่อแม่อิ่มปุระปุตระปุระแปลว่าเต็มทาให้เต็มให้อิ่มพ่อแม่อิ่มอกอิ่มใจลูก สมัครสมานสามัคคีรักกันฉันพี่ฉันน้องพูดกันไพเราะอ่อนหวานเมื่อมาประชุมกันอยู่บ้านใต้บ้านเหนือลูกไม่ทะเลาะ ก, กันพ่อแม่ไม่กินก็อิ่มอิ่มใจเห็นลูกถูกกันอย่างเนี้ยก็เรียกว่าหายเป็นเปรตอิ่มอยู่บนสวรรค์เห็นลูกขยันเห็นลูกทำงา น, นทำการดีเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกมีชื่อมีเสียง ไปไหนคนเขาเล่าลือท้ามาโอ้ยคนนั้นคนนี้ดีแท้ๆพ่อแม่ได้ยินถึงแม้เขาไม่รู้ว่าเป็นลูกของเราก็อิ่มใจอิ่มอยู่ในอกในใจอย่างนี้เรียกว่าทำให้พ่อแม่เต็มเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้พ่อแม่เราเป็นเปรตอย่าทำให้พ่อแม่เราตกนาโลกวิธีที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่นั้นไม่จําเป็นต้องบช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 ที่เราบอกว่าบวชตอบแทนน้ำนมพ่อแม่นั้นเป็นความมุ่งหวังของพ่อของแม่เพื่ออยากจะให้ลูกในบวชจะได้ไปอบรมจิตลบมใจจะได้ดีกว่าเกา่าแต่ถ้าบวชแล้วเลวกว่าเกา่าก็ไม่เป็นที่ปาฏถาาของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเป็นเปรตต่อไปบางคนยังไม่เคยบวชอยู่บ้านไม่เคยโซโบโลีมเคยขายันแต่พอบวชแลว้ว มีแต่คนมาถาวายบุหรี่ดีๆก็เลยหัดสูบบุหรี่เป็นในที่ส่วนบวชหนึ่งพันษาศึกออกมาได้อานิสง์เป็นขี้ยาสูบยาเป็นแล้วก็พุ่งยาซองก้นกองเส่ด้วยยาบุหรี่ก้นกองอย่างดีแต่ก่อนไม่เคยสูบขอบวชแล้วหนึ่งพันษาได้อานิสงสูบบุหรี่เกง่ง แล้วก็ขี้เกียจเก่นกว่าเก่าพ่อบวดไปเคยสาบายกลับมายิ่งขี้เกียจอย่างนี้จะไปตอบบุญแทนคุณใครได้อย่าว่าแต่บุญคุณพ่อแม่บุญข้าวบุญน้ำที่โยมทำบุญทำทานตักบาตรให้ กุติวิหารดิโยมสร้างกอดตอบแทนไม่คุม้มอย่างนี้แหละเขาเลยว่าเป็นหัวหน้าลงสู่นรกเป็นคนลวงโลกกุโสอยาถาทุกขหิโตหะทะเมวะนุกันตติสัมมันยังทุปรมามทั้งนิรยาอยู่ประกัตติผอมย่าขาที่จับไม่ดีย่อมบาดมือ การบวชประพฤติพรมจรรย์ที่ละหล้วมย่อดหย่อนย่อมลากลงสู่นรกชั้นนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดเพราะฉะนั้นการไม่บวชผู้หญิงก็ตอบแทนข่าน้ำนมได้แต่ไม่ใช่ว่าไปซื้อหนังสือยอดพระ ก, กันไตปีดอกมาบูชาไปซื้อหนังสืออภิธรรมมาบูชาและจะตอบแทนค่าน้ำนมเล่มละยี่สิบบาทสามสิบาทน้ำนมแม่มีค่ามากกว่ายี่สบาทสาสิบาท น้ำนมแม่มีค่าเท่ากับชีวิตจะมาซื้อยี่สิบสามสิบาทที่เจ๊กพิมพ์ขายมาตอบแทนบุญคุณแม่ได้ผู้หญิงต้องสร้างหนังสืออภิธรรมเขาหลอกขายหนังสือพวกนักอภิธรรมหลอกขายรวมมือกับเจ๊กคนพิม พ, มพ์พิมผิดผิดตัครูเป็นภาษาบาลีอ่านก็ไม่รู้เอาไปไว้ที่วัดพระก็ไม่อ่านเอาไปตั้งไว้บนเพดานเป็นรังหนูกลายเป็นอภิธรรมรังหนูไปจะไปตอบแทนบุญคุณอะไรได้มีจะไปเสียเงินให้เขา ผู้หญิงผู้ชายจะต้อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างถูกต้องตามหลักคําสอนจะตอบแทนอย่างนั้นมันไม่ได้ตอบแต่ด้วยการซื้อหนังสืออภิธรรมหนังสือยอดพระไตพรตพรตักันไตรปิฎกตอบแทนไม่ได้ราคาสามสิบาทชีวิตทั้งชีวิตจะขายไม่สามสิบาทขายไม่ได้ชีวิตได้มาจากพ่อจากแม่คนอื่นมาถามซื้อห้าล้านเอาไปค่าทิ้งเอาไหมเนี่ยไม่เอา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 การงานของท่านท่านมอบให้ทำอะไรก็ทำให้มันสำเร็จลุล่วงให้ท่านไว้วางใจได้ห้าท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอูทิตให้แก่ท่านห้าอันนี้ทำได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนฟาตนาอื่นอันนี้เป็นระบบสแตนดาร์ดซิสเต็มเป็นแอบโซลูตสแตนดาร์ดมาตรฐานที่ตายตัวว่าใครก่อ ตอบแทนบุญค okay, ุณพ่อแม่อย่างนี้ได้ศาสนาคริสต์อิสลามพาหมณ์ฮินดูซิกวอเตอร์โัสเตอร์ก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเดียวกันท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงท่านเลี้ยงได้หลายอย่างเลี้ยงทางกายเอาข่าวปลาอาหารเลี้ยงทัานย้า้ท่านทํางานหนักหนาบีมนวดให้แก่ท่านแล้วก็เลี้ยงอีกอันหนึ่งสําคัญนักเลี้ยงทางใจ อย่าพูดจากระโชกโฉกหากกระทบกระทั่งให้ท่านน้ำตาหลัง่งน้ำตาไหลเสียใจพ่อโลกพูดให้ร้องไห้เลี้ยงใจของท่านให้ใจท่านดีๆใจท่านสบายพูดออกไามันขัด อ, อกขัดใจพ่อแม่มันจะเป็นบาปเลี้ยงใจของท่านให้ใจมีอาหารให้พ่อแม่สาบายใจบางคนเลี้ยงแต่กายไม่เลี้ยงใจพ่อแม่พูดอะไรบางครั้งดา่าพ่อแม่เท่ก้นบางคงกระบางคนงคนี่ กระโชคกระฉากฝ่แม่แม่นี่น้ำตาหลัง่งน้ำตาไหลเข้าไปร้องไห้โอ้ยกูเลี้ยงมึงมาจ้าไม่ถูกไม่หยาบมึงด่ากูคือหมานอโลกงน้อน้อ ย, อยใจร้องไห้บาปไหมนะั่นน่ะแม่เดือดร้อนอย่างนั้นพ่อเดือดร้อนอย่างนั้นไม่บาปก็ต้องบาปแม้ตนเองก็ร้องไห้หน่ ใ, นใจระวังให้ดีต้องเลี้ยงจิตเลี้ยงใจของท่านอย่าทําให้ท่านเศร้อมองใจในสิ่งไม่ดีไม่งามในการกระทาไม่ดีไม่งามในการพูดจาไม่งาม ต่อมาก็ประพืชตัวให้มันเหมาะสมนำลงวงตระกูลอย่าให้เชื่อเสียงของข่านเวยจะเป็นเสือขี่คุกเสือขี่ตะล่างซุ่มเลยมันบอดีเลี้ยมจุ่มเบื้องซุ่มมันเนี่ยพ่อแม่ก็เสียไปด้วยอย่าให้มันสูญเสียอย่างนั้นทีนี้ก็จั ด, ดจกิจกรรมการงานของท่าน เจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาท่านให้ดีๆเราเป็นโอกาสดีเมื่อเวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ช่วยกันรักษาเป็นเวลาที่จะตักดวงอาบุญมีลูกหลายคนต่างก็คอยเกียงกันไอ้คนน้นมันจะดูคนนี้มันจะแลคนนั้นมันจะเลี่ยงอย่าเอาแย่งกันเลยพ่อแม่ของเราเลี่ยงเรามาท่านไม่ได้เลือกคนน้นคนนี้เย่นกัน บางคนพ่อแม่เท่าแก่แล้วเท่าแก่แล้วเหมือนเด็กๆนะใจน้อยๆใจดีทอมักฝ่ายใจหายทอ ม, มักกลุ่มลังเทือพุ่มพุ่มปล่อยองล้านกองกองไก่หนาบ้านได้ล่างกลุมปล่อยต่างแต่ล้านช่างทันเธอตอนแก่มาแล้วใจสั่นันใจน้อยๆเหมือนลูกเราตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนกันตรงแต่ก่อนเราไปลูกทันบัดนี้ทันจะเป็นลูกเราเราจะต้องเลี้ยงเอาใจเราเคยมีลูกน้อยๆเห็นไหม นิดหน่อยมันก็ร้องให้ใจน้อยๆใจเด็กน้อยไม่ถูกใจหน่อ ย, อ ย, กกอยร้องให้ผูกเท่าหนึ่งเหมือนกันนะพูดบางทีน้อยๆผิดใจร้องให้น้ําตาหลัง่งน้ำตาไหลเครียดบาเป็นตะเขียดกระเขียดใจดีทอมากฝ่ายใจหายทอมากตืมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอกเอาใจเหมือนเราเลี้ยงลูกน้อยๆท่านเลี้ยงเราแต่ก่อนก็อย่างนี้แหละบัดนี้มันกลับกันเราก็เป็น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 กุลบทใดกุลธิดาใดลูกผู้ใดก็ต า, ามที่ทำให้พ่อแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธามีศรัทธาในพระพุทธประธรรมประสงในพระอรยิยะเจ้าในอรยิยธรรมอริยมีในที่ทุกขที่กองที่ดีที่งามพ่อแม่ไม่มีสินทั้งไม่พ่อแม่มีศินมีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่น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 ถ้าหากพ่อแม่เราท่านเข้าใจผิดท่านเป็นคนสมลเลเทเมาท่านเล่นการพา น, นันวัดไม่เขา่าพระเจา้าไม่นุ่ไม่ส้างคุณงามความดีใส่เนื้อใส่ตัวนั่นก็คือผู้ที่ตกนรกอยู่แลว้วตั้งแต่เป็นเป็ น, ปนตายไปแล้วก็ตกนรกทีนี้ถ้าหากเราทำให้ท่านมีศรัทธา ศรัทธาในบาปในบุญในโลกนี้โลกหนาในนัลกในสวรรค์ในปาราโลกในสมัมเธพรมศรัทธาในพระอริยเจ้าศรัทธาในพระดิาพานว่าความดับทุกข์นี่มีจริงทําให้ไม่ต้องเกิดต้องผุดขึ้นมาเอกดับสนิทซึ่งอุปทานเึ่งความทุกข์นี่มีจริงทําให้ท่านรู้ทําให้ท่านเชื่ออย่างนี้แล้วท่านก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง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 ก้มใสยหูตั้งแต่ลูก น, น้อยนอนเปรหวังอย่างนี้หวังให้ลูกมาทําให้พ่อให้แม่ได้เกิดใหม่ทั้งจิตทั้งใจพ่อได้เก ด, ดึงขึ้นประวันพ่อแม่มืดมนไม่มีสติปัญญารู้จักบาบุญคุณทั่วลูกมาทําจุดตาเกีลงส่องแสงสว่างให้พ่อให้แม่อย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านไปช่วยพ่อช่วยแม่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 พระองค์<ท>ได้ดื burgh, ่มน้ำขีรทาราได้ดื่มน้ำในอกน้ำนมข้งหม่อมชันหม่อมชันได้เป็นแม่ของพระโลกนาจ้าทางร่างกายเพราะพระโลกนาเจ้าได้ดื่มน้ำนมน้ำในอุระขีรทาราอุระทาราข้าหม่อมชันจนพระองค์ได้เจริญวัยทางร่างกายแต่หม่อมชันก็ได้เป็นบุตรได้เป็นลูกพระโลกนาจ้า ได้เป็นแม่ข้าหม่อมชั้นทางใจหม่อมชั้นได้เดิมอมตะทาราคือรสแห่งพระธรรมอันไม่ไปสู่ความตายอันไม่รู้จักตายอ ม, มตะธรรมอันประเสริฐอ ม, มตะทาราที่พระโลกนาฏเจ้ า, จาให้หม่อมชั้นได้เดิมได้อาบได้กินจนพ้นจากความทุกข์พ้นจากเกิดจากแก่จากเจ็บจา ก, จากตายพระโลกนาฏเจ้ า, จาเขาเป็นแม่ข้าหม่อมชั้นโดยเท่ เนี่ยฟังโถมัยลูกล้านนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างคนต่างก็เป็นแม่กันนัานประชาบดีเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้กินนมหรือว่าเป็นแม่ทางกายพระพุทธเจ้าให้กินน้ํำธรรมะอมตะพาลาจนสิ้นอาสวะกิเลสเดีเป็นพระอรหันต์กะเรียวว่าเป็นแม่ของหม่อมฉันโดยทําเป็นแม่ทางใจโดยแท้เราเปิ้ลมารถทําไมพ่พอให้แม่เราผุดเราเกิด ไ, ได้ โดยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจท่านแหมเป็นคนดีภาษาลีบทท่านบวชมาเป็นพระอรหันต์มีความรู้มากกว่าข้าที่สุเทพโบกคนอื่นแม้แต่เทวดาเป็นหมื่นหมื่นก็ได้น้องชายน้องสาวของท่านห้าหกคนมาบวชเป็นพระอรหันต์หมดแต่ว่าแม่ของท่านไม่เคารพนับถือไม่นับถือพระพุทธประธรรมพระสงฆ์แต่นับถือเดรัจฐีปริพาชกศาสนาอื่นนอกพุทธศาสนา ท่านก็พยายามทำยังไงจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้นอนคิดโอดแม่ไม่ได้แล้วในที่สุดท่านก็จะถึงวันตายท่านจะถึงวันตายท่านก็เป็นลาบพระพุทธเจ้าท่านคิดว่าในชาตินี้เราได้ช่วยคนอื่นมาเป็นเหมือนๆแสนๆทำไมเนอเราจึงตอบแทนบุญคุณแม่ของเราไม่ได้ เอาเถอะเราจะตายจะพยายามครั้งสุดท้ายเป็นลาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันจะได้ทิ้งสลีละร่างกายนี้ลงในโลกแล้วหม่อมฉันจะต้องตายนิพพานแน่บัดนี้ขอลาพระองค์ไปปัิณิพานผู้ยาา่ทาทั้งกะลูกทั้งกะทมว่ะเธอจะไปปัณณิพานที่ไหนผู้ภาษาบรราว่าจะไปตายตรงไหนในเมื่อเธอรู้แล้วภาษารีบุตรบอกว่าหม่อมข้าพระองค์นี้จะไป นิพพานที่บานเกิดที่ห้องเกิดอยู่ใกล้ๆกับแม่อยู่ในตักแม่อยู่ในอ้อมอกแม่ผู้เรียญก็บอกสาธุขอให้เธอไปตอบแทนบุญคุณแม่เธอให้สําเร็จนะพระสารีบุตรท่านก็เดินเดินไปลากเลือดไปเป็นโลกเดียวกับผู้เจียญท่านก็นตะเกี้ตะกายไขย้ส้มสารลากเลือดทายเป็นเลือดไปจนถึงแม่ถึงบ้านแม่เป็นบ้านเฟตีแม่กระดีใจลูกมาแล้วคิดว่าลูกจะซึก แต่ลูกไม่ได้สึกลอกจะมาช่วยแม่ครั้งสุดท้ายเผื่อว่าก่อนตายได้ช่วยแม่ได้ในนี่สุดท่างก่อขึ้นไปอยู่บนบ้านโ อ, อ้ยลาออกเป็นอาเจียนเป็นเลือดในคืนนั้นพระอินมาหัวคำสาว่างสาว้ยไปหมดจะมารักษาพระสรีบุตรบอกไม่ต้องมากลับไปได้แล้วฉันมีหมอดีที่สุดอยู่ในนี้หมอของฉันคือแม่ของฉันจะรักษาฉันเองกลับไปพอตกเพี่ยงคืนมา ก็มีคนอีกสี่คนมาสาว่างสาวัยมือนกับกลางวันเลยมีไฟทั่วทั้งตัวคนนี้มาก็พระสารีบุตรก็บอกกลับไปกลับไปได้แล้วไม่ต้องมาลอกฉันมีหมอดีที่จะรักษาพวกนี้จะมาเอากระโทนขี้กระทนรากไปทิ้งต่อมาก็สุดท้ายขวัญสว่างยิ่งสาว่างใหญ่มาอีกคนนึงยิ่ ง, งสาว่างมากกว่าคนอื่นพระสารีบุตรก็บอกให้ไปฉันมีหมอดีไม่ก็แปลกใจว่าลูกไครมาเา มาสว่างสวัยไปหมดลูกก็บอกว่าหัวค่านั้นพระอินตอนกลางคืนมาสี่คนนั้นเท้าเจตุโลกกาบานคนสุดท้ายนี่เท้ามาหาพรมจะมารักษาโอ้ลูกเก่งขนาดนั้นดิโอ้อย่าว่าขนาดนี้เลยครูของลูกคือพระพุทธเจ้าพระอินเป็นสา ม, มาเนนน้อยเท้าเจตุโลกกาบาลมาหาพรมเป็นเท่ากับสังกลีเป็นสา ม, มาเนน โ อ, อแม่ก็ดเลื่อมสายลูกแม่ทําไมไม่บอกให้แม่ทราบแต่ก่อนพอแม่เลื่มสายลูกกาเทศอนุบุพิกฐาให้ฟังสุดท้ายเทศเรื่องอริยะสัตตรีแม่ก็ได้เป็นโสดาบันเมื่อมีศรัทธาเห็นไหมทําแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้มีปีติให้มีปาโมดมีปฏิสติมีสมาธิมียถาปูตญาณก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเมื่อแม่บรรลุโสดาบันลูกก็สิ้นใจตาย รยกว่าพยายามจนสิ้นใจได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นลูกที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่าง้าสมใจเอาละวันนี้เวลาเรามากต่องสามชั่วโมงพูดมาบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาร้องให้น้ำตาก็เหอดแห้งไปแล้วเราได้รู้จักหลายรสหลายชาติหลายชีวิตเกี่ยวกับบุญคุณพ่อบุญคุณแม่บัดนี้จะได้ยุติ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 เล่าพราแม่เห็นแก่ตัวมากมากลูกก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราให้โทรลพัทสอนลูกของเราให้นังสอนลูกของเรามันก็เลยเชื่อโทรลพัทเชื่อหนังมันก็ไม่เชื่อพอเชื่อแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์สิหุจักนังเจ้าเกิดต้งแต่แห้งกินมามิวปุ่นเราะว่า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 กนก็ไม่ละวันพระไม่เว้นเห็นยายชีได้าเทนไม่เข้ารบสถานนู่นตายไปเกิดเป็นหมอหอยหนาไผขิดินไปเบอเบิกบกเบยหน้าตามีไม่มองดูสิ่งที่ดีเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าปานไม่ทางตาไวจะเป็นซวยเด๋อไปตึกกระดุงไปสอนมนีมาเห็นพระบุได้พ่อมกแล้เนาะผัดมา เน่เป็นอย่างนี้วันพระตีกองแรงตีกองดึกแทนนี่จะใส่ชุดขาวอ้อยไปฟังเทศน้ำเพลนจำศีลไม่ไปโน่นแบ่กระดุงล็อกจอกล็อกจอกถือเขิงลงทุ่งลงท่าเห็นพระไปบินสำหรบโอ้ยจะเม่นส่วยผัดวาน่แทนนี่จะดีดีว่าสมณามันจะทัศ น, นงังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลนี่กลับสวยถ้าอย่างนี้ตายไปเกิดเป็นหมอกหอยฝนว่า พระอินทร์ท่านสาบให้ไปเกิดเป็นมกหอยบ่ให้เห็นฝ่าหเห็นหมอกพระมาโปรดยังบอกว่ามาให้สวยก็เลยสาบให้เจ้านาขำงั้มกิดินไปเถอะจะได้เห็นพระเห็นเจ้าจักเถื่อนะอย่างเนี้ยอย่างนี้แหละคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลาย